พระรันะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8และข้อที่13ความว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้าลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าหม่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 และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูน์สิ้นแม้การเผยเพระเจนะก็จะเสื่อมสู์ไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสู์ไปดังนั้นยังตั้งอยู่3มสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด ถ้าผมจะบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์พี่น้องว่าจะสายเกินไปไหมครับวันพู้ที่ผ่านมา น, นี่นะครับเรามีการนัสมาศการเนื่องในวันพุธรับเท่าแล้วเราก็รู้ว่ามันตรงกับวันที่14กุมภานะครับตรงกับวันวาเลนไทน์เราก็เลยจัดงานที่วาเลนไทายก็คือว่าเอาตัวเลนนะครับที้นเลนที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับมาเป็นจุดหลักครับ ว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยได้แสดงออกในช่วงแห่งการที่พระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานเพื่อเราแม่งเียนนั่นคือจุดเริ่มต้นของอเทศกาลเข้าสู่ธรรมตั้งแต่ปี1945ครับไม่มีวันไหนเลยที่วันพุธรับเท่าจะตรงกับวันเอลเลนทยนะครับก็คือวั น, นในปี1945นะครับก็ผมนับถอยหลังไปก็ประมาณ75ปี เกือบเจห้าปีที่วันวาเลนไทน์ตรงกับวันพุธรับเท่าแต่ด้วยเหตุนี้เองนะครับหัวข้อในการแบ่งปันในเช้าวันนี้คือต้องกลับมาถึงความรักที่เป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าในหัวข้อความรักยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักผมอยากให้พี่น้องได้ดูในพระเจ้าพระเจ้านะครับซึ่งผู้ปกครองได้อัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางารเราในเฉพาะ ข้อที่4ี่ถึงข้อที่8นะครับเราจะเห็นว่าความรักนั้นอดทนนานกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองแล้วก็ยังมีต่อไปความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวั น, นสูญสิ้นผมไมได้เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องหลายครั้งทีเดียวครับว่าเราจะเห็นคาว่าทนในบรรทัดที่หนึ่งนะครับ เห็นคําว่าทนในบรรทัดที่สและเห็นคําว่าทนในบัน 3, นนนนบนครคับที่หหลายครั้งทีเดียวเวลาให้โอวาสคู่ที่แต่งงานนะครับให้คําจํากัดความรักหน่อยว่าความรักคืออะไรเขาก็จะบอกความรักคืออย่างโน้นอย่างนี้แต่ผมบอกว่าความรักในพระคัมภีร์พระเจา้าได้ให้ความรักในคํานิยามว่าอย่างไงครับทน ถ้าเราทนได้เขาแสดงว่าเรารักเขานะแต่ความรักตรงนี้ครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นความรักที่เราเรียกว่าเป็นแซนด์วิชนะครับก็คือว่ามีข้างบนนะเป็นขนมปังก็คือทนข้างล่างก็เป็นขนมปังก็คือทนและตรงกลางก็เป็นขนมปังชั้นนึงก็คือทนเพราะฉนั้นเนี่ยทนทนท น, ทนมีสามทนในนิยามความรักที่อยู่ในพระคัมภีร์นั่นคือสิ่งที่เราสังเกตได้จากการอ่านพระคัมภีร์พี่น้องครับ เมื่อยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักนั้นพระกัมพีสรุปว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดมีคนเคยพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราเอาความรักออกจากคธศาสนาเนี่ยคศาสนาเนี่ยจะไม่สามารถคงอยู่ได้เหมือนกับเราเอาพระเจ้าออกจากพระกัมพีพระกัมพีก็ไม่สามารถที่จะคงตัวอยู่ได้นั่นคือความจริงในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้นะครับ มีตัวตัวสะกดนะครับดอเด็กอยู่4ี่ตัวเมื่อเราเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมเราเข้าถอยเข้าสู่ธรรมนี่นะครับตัวสะกดแรกเลยก็คือแม่กดนะครับอดอดคือการให้อดอาหารและอดใจเมื่อเราเข้าสู่เทศกาลเล้นนะครับตัวสะกดตัวที่สองก็คือลด ให้งดเป็นกิจกรรมลดพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่สก็คือปลดปลดมีความหมายว่าให้เราปลดเปื้องบาปและกลับใจใหม่และแม่กฎที่4นะครับก็คือหมดก็คือทำตัวเองให้หมดภาษาอังกฤษใช้ว่า empty oneself ทั้งอดทั้งลดทั้งปลดแล้วก็ให้มันหมดไป นั่นหมายความว่าพระเยซูสอนครับว่าการปฏิเสธตัวเองนั้นมันต้องเริ่มต้นด้วยจากการอดก่อนพี่น้องครับการอดนั้นคืออะไรอดใจอดใจนี้ฝึกได้จากการอดอาหารครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเริ่มอดอาหารเมื่อไหร่นะครับพี่น้องก็จะเริ่มอดใจได้หลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราอยากจะขอพระเจ้าบอกว่าให้พระเจ้าช่วยเราให้เรามีการบังคับตัวเองได้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ดัง น, นครับผมจะบ อ, บอกกับพี่น้องครับเคล็ดลับที่เราจะทำได้คือให้เริ่มต้นอดอาหารก่อน mm hmm. เมื่อเราเริ่มอดอาหารที่เราชอบได้ mm hmm. เมื่อเราเริ่มลดนะครับ mm hmm. สิ่งที่เราไม่ควรจะกินได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเริ่มทำอย่างนี้มันจะนำไปถึงชีวิตที่คุณจะปลดอะไรบางอย่างจากชีวิตของเราได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเคล็ดลับพระเจ้าสอนให้เราสั่งให้เราอดอาหาร เพื่อที่จะเข้าหาพระเจ้าเพื่อที่จะเกิดการบังคับใจผมขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมชอบกินขาหมูเห็นขาหมูนี่มีความตระหนักมันมีความรู้สึกทนไม่ได้แต่เมื่อเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ก็ตั้งใจว่าจะอดขาหมูอดอาหารลดปริมาณอาหารมันจะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นอยากจะกินแต่ไม่กินเราสามารถที่จะฝึกให้ใจเข้มแข็ง อยากจะทำอย่างนั้นที่ไม่ควรทำเราก็สามารถที่จะอดใจได้อันนี้คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั่นคือเริ่มต้นลดลดบางสิ่งบางอย่างลงงดเว้นกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อมีเวลาเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าปลดปลดเปื้องบาปครับมีท่าเทียง ก, กันกับใจเชื่อฟั ง, งพระเจ้ า, นาขนพระเจ้าและทาตัวของเราให้หมดหมายความว่าให้เรา ทำให้ตัวเราเนี่ยนะว่างเปล่าถ่อมใจลงเหมือนพระเยซูพระเยซูนั้นทรง empty himself หมายความว่าพระองค์นั้นได้ทรงสละความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าของพระองค์นั้นบนสวรรค์นี้เสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ empty himself เพราะฉะนั้นเราต้อง empty ourselves นะครับทำให้ชีวิตของเรานั้นหมดในวาเลนไทน์นะครับเราเรียนรู้บางคนบอกว่าวาเลนไทน์นั้นเป็นเทศกาลของฝรัง่งแต่ถอยกลับมาดูครับ ในครินสจักรของพระเจ้านะครับได้มีการอธิษฐานได้มีการอถา ธ, ธิบายเทศนาพระคมของพระเจ้าเกี่ยวเรื่องความรักมานานทุกๆวันวาเลนไทน์ทุกๆเดือนกุมภาพันธ์เรารู้จักความรักของกรีกนะครับหลายหลาคนก็เทศนาบอกว่าความรักของกรีกเนี่ยมีอยู่4อย่างแท้จริงแล้วนะถ้าเกิดเปิดเข้าไปในวนะิกิพีเดียเราเห็นว่าความรักแบบกรีกเนี่ยมีถึงเจดอย่างด้วยกันเมื่อเราพบความรักแบบกรีกเจ็อย่างแล้วนะครับผมอาจจะไม่ต้องทบทวนสอย่างนะครับ เป็นความรักที่เราเคยฟังทุกๆปีจะมีเ e r ร s สมี s เตอร์ ilia, ก้มีฟิเลียแล้วก็มี a ะค p เปนี่คือสี่คำของกรีกที่เป็นคำจำกัดความที่บอกว่าความรักมันเป็นความรักในรูปแบบต่างๆวันนี้ครับเราจะมาดูว่าความรักในตะวันออกนั้นเขาคิดยังไงนะครับลทัทธิคงจือครับลทัทธิองจือเนี่ยพูดถึงความรักความรักแบบเป็นการกุศล เป็นความรักแบบให้เป็นความรักที่มุ่งเน้นไปยังหน้าที่และการปฏิบัติตนเขาเรียกความรักแบบนี้ว่าเหรินเหรินนี้ประกอบด้วยอักษรย่อยอยู่สองตัวก็คือว่าคําว่าคนกับคําว่าสองเราสองคนรักกันนะครับแล้วมีคุณธรรมที่อยากจะให้บางสิ่งบางอย่างแก่กันและกันมุ่งเน้นไปยังหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตัวเองทัศนคติในความสัมพันธ์ นะครับมีความสำคัญมากมีความสำคัญมากต่อไปครับมีคนหนึ่งที่เป็นปรมาจารย์ของทางจีนที่พูดถึงเรื่องความรักเหมือนกันครับว่าความรักนั้นคืออะไรความรักคนนี้คือหม้อจื้อมีของจื้อกับหม้อจื้อนะหม้อจื้อนั้นเน้นเรื่องความรักสากลความรักสากลควรจะเป็นความรักที่มอบให้โดยปราศจากเงื่อนไขและ มอบให้แก่ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงการตอบแทนนั่นคือการปฏิวัติความคิดเกี่ยวเรื่องความรักมอจื้อนั้นใช้คำว่าไอ้นะครับอ้เวลาที่เราแซวคนจีนนะครับที่ฝึกเรียนภาษาจีนใหม่ๆบอกว่าฉันรักคุณไหนพูดภาษาจีนสิพี่น้องครับผมเชื่อว่าในนี้พูดได้มากกว่าครึ่งนะครับ oh, อ้วอ้นีความรักอย่างนี้นะครับคือความรักแบบไหน ตามความรักแบบนี้ของของจื้อนะครับเขาจะบอกว่าเป็นความรักที่ถ้าคุณน่ารักเนี่ยคุณเหมาะสมกับความรักของผมผมก็จะรักคุณผมจะใช้คุณธรรมหน้าที่และสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นในการปฏิบัติรับใช้คุณรักคุณอย่างที่คุณเป็นแต่ว่าขอจื้อไม่ได้สอนอย่างนั้นขอจื้อสอนบอกว่าความรักที่ผมมีต่อคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ผมก็ยังรักคนอยู่วันยังคำํำนั่นคือสิ่งที่เป็นความรักของคนตะวันออกและปรัชญาของคนตะวันออกนั้นเราเห็นว่าขงจื๊อนั้นความรักของเขานั้นแปลเปลี่ยนไปผันแปรไปผกผันไปตามคนที่เขาหน้ารักหรือไม่ถ้าเขาหน้ารักเขามีความน่านับถือเราจะต้องรักเขาและทําหน้าที่ของเขาปฏิบัติตัวให้เขาถูกต้องนะครับแต่หม้อจื๊อบอกว่า ไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามเราควรจะรักเขาเช่นเดียวกันบางคนก็จะถามในใจว่าอาจารย์ทำไมมาเทศเรื่องนี้ไม่เห็นมีในพระกัมภีเลยทั้งสองแบบนะครับเราปรากฏอยู่ในพระกัมภีทั้งสิน้นพี่น้องครับมีการทําการศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ระบบประสาทสมองครับเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ตกหลุมรักนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับ falling in love นะครับ ตกหลุมรักนั้นสมองเขาเนี่ยจะหลั่งสารเคมีออกมาเป็นชุดเลยอย่างต่อเนื่องพี่น้องเห็นไหมครับชุดชุดสารเคมีก็คือพวกฮอร์โมนทั้งหลายนะครับถ้าเกิดการ attachment ถ้าเกิดการ attraction นะครับถ้าเกิด lust มันจะมีฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ออกมานักประสาทวิทยาเขาทำการศึกษามามีทั้งฟีโรโมนนะครับมีทั้งโดพามีนมีทั้งนอร์อพิเนฟรินมีทั้งเซโรโทนินพวกนี้เนี่ยมีมีม มีผลคล้ายกับยายาบ้านะครับหรือยามาครับยาขยันนะครับเวลาใครตกหลุมรักใครนะครับก็จะสมองเขาเนี่ยถูกกระตุ้นนะที่ศูนย์ควบคุมความสุขนําไปสู่ผลที่เกิดขึ้นคือว่าหัวใจเต้นเร็วศูญเสียความอยากอาหารไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะครับไม่ต้องกินข้าวอยู่ได้นะครับนอนไม่ต้องนอนก็ได้นะครับคุยโทรศัพท์ทั้งคืนได้แชททั้งคืนได้เล่นทั้งคืนได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างรุนแรง นี่คือสิ่งที่คนตกหลุมรักพี่น้องครับผมถามนิดนึงครับว่าท่านเคยตกหลุมรักพระเจ้าไหมท่านเคยมีความรู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยไม่อยากนอนหรือกลับกันครับอ่านพระคัมภีร์ทีไรนี้หลับตลอดมีความรู้สึกอย่างนั้ไหอยากจะรู้จักพระเจ้ามากเลยเพื่อที่อยากจะรักพระองคอ์อยากจะรู้จักพระเจ้ามากเลยอยากจะรู้ว่าพระองค์คิดยังไงในเรื่องนี้ อยากจะรู้จักพระเจ้าจนกระทั่งว่าไม่อยากกินข้าวอ่ะอดอาหารได้อธิษฐานอดอาหารได้ในช่วงเทศกาลเล้นถามว่าทําไมทําได้เขาเพราะเรารักพระเจ้าตกลุมรักพระองค์เสียแล้วแต่ว่านักภาษ า, ษาวิทยานะครับเขาวิจัยบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้นะคนที่ต ก, ตกหลุมรักใครนะครับตมรักใครบางคนเนี่ยระดับของฮอร์โมนพวกนี้มันจะอยู่ประมาณอยู่ปีครึ่งนะครับจนทั่งถึงสปีมันก็เริ่มลดลง มันคืออะไรครับเขาเรียกว่าฮันนีมูลพีเรียดนะครับก็คือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์เวลาที่เราตกหลุมรักใครนะครับก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้นทีนี้ในส่วนของพระเัมพีเนี่ยได้สอนว่าเราจะตกลุมรักพระเจ้าเนี่ยตกหลุมรักพระองค์ตลอดไปได้ยังไงนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรื้อฟื้นความรักของเราความรักดั้งเดิมของเราอยู่เสมอพี่น้องที่เข้านะครับอบรมอัลฟาคอส นะครับที่พูดถึงเรื่องของการแต่งงานเขาสอนหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเราจะต้องมีวันของเราสองคนเราสองคนหมายความว่าวันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องมีเาเรียกว่าเป็นวันของเราสองคนนะครับก็คือสองคนเนี่ยจะต้องออกไปฮันนี่มูลครับออกเดทอีกครั้งหนึ่งและการออกเดทเนี่ยเป็นการรื้อฟื้นความรักดั้งเดิมในพระคัมภีร์บอกว่า เจ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าเสียแล้วใ น, ววนพระธรรมวิวรณพระเยซูพูดกับขิารจักรของพระเจ้านะครับของพระองค์เจ้าได้ละเลยความรักดั้งเดิมและลืมความรักดั้งเดิมของเราเสียแล้วการรื้อฟื้นความรักดั้งเดิมนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเวลาที่เรามาโบสทุกสัปดาห์นะครับเราได้เคยที่จะรื้อฟื้นความรักที่พระเจ้าได้ให้กับเรา มากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนและถ้าเราทําได้แบบนี้ฮันนี่มูลพีเรตของเรานั้นก็จะอยู่ตลอดไปในเช้าวันนี้ครับเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งรวมบทที่หข้อที่8ดนะครับรมบทที่หข้อที่8ได้ทำให้เราเห็นหนึ่งลักษณะของความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา นี่คือการอธิบายความรักของพระเจ้าว่าเป็นความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่พระเยซูนั้นสามารถที่จะเสียสละชีวิตของโปร่งเองเสียสละพระชนชีพของโรงเองให้กับเราได้จึงเป็นความรักที่เสียสละให้กับคนอื่นได้พระเยซูที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้จักที่จะรักตัวเองแล้วเราสามารถที่จะใช้ความรักนี้นะครับไม่รักเพื่อนบ้านได้ เมื่อตราบใดที่คนคหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วแล้วก็ความรักตัวงเขานั้นเป็นความรักที่อีกแบบหนึ่งไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปคนอื่นได้ตราบใดที่เขาได้รับความรักของพระเจ้าแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะใช้ความรักของพระเจ้าสามารถรักตัวเองอย่างถูกต้องยังถูกวิธีและสามารถรักคนอื่นได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีพี่น้องครับความรักของมนุษย์เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของชื้อสอนไปแล้วนะครับว่าคุณเป็นใครที่ฉันจะรัก ที่ฉันจะทําหน้าที่ของฉันปฏิบัติต่อคุณก็ขึ้นกับว่าคุณเป็นใครแต่หมอเชื่อบอกว่าไม่ยังเป็นที่คุณจะต้องเป็นใครครับมันอยู่ที่ผมเป็นใครต่างหากที่ผมจะใช้ความรักแบบเนี้ยจะรักคุณได้พี่น้องครับทุกอย่างนะครับจะต้องมีเรียกว่ามีการตอบแทนซึ่งกันและกันเสมอเมื่อเวลาเราจะรักใครนั้นคนนั้นก็ต้องน่ารักก่อนใช่ไหมครับในวีดีโอการเนี่ย เม right <Yeah. S 1> ื่อคนนั้นไม่น่ารักหรือเริ่มต้นที่จะไม่น่ารักแล้วเราก็ต้องใช้ความรักที่สม่ำเสมอและเสียสละของเราเนี่ยไปรักเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานความรักในโลกนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเพราะว่าอารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงได้แต่ความรักของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นคนน่ารักหรือไม่น่ารักพระเจ้าก็ใช้ความรักของพระองค์ ที่ม่อจื้อนั้นสังเกตสังเกตว่าสิ่งที่เป็นไปในมนุษย์นั้นก็คือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ขึ้นอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับควคุณน่ารักหรือไม่น่ารักแต่ว่าก็ยังมีคนรักคุณม่อจื้อสังเกตอย่างนี้เพราะฉะนั้นม่อจื้อบอกว่าความรักควรจะเป็นสิ่งที่มอบให้อย่างปราศจากเงื่อนไขและมอบให้แก่ทุกคนโดยไม่คํานึงการตอบแทนต้งคำพีอบอกว่าพระเจ้านั้นได้ให้ฝนตกให้กับคนบาปและคนชอบธรรมเหมือนกันครับ ไม่ใช่ว่านานี้นะไม่ตกและนานนู้นตกไม่ใช่นะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ให้ฝนเนี่ยรดแผ่นดินโลกเหมือนกันและเป็นประโยชน์แต่คนทั้งอัธรรมและคนชอบธรรมนั่นคือความรักสากลที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับพระเจ้าได้สำแดงความรักโดยการสิ้นพระชนเพื่อเราการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นก็คือตายแทนคนบาปทุกคนครับแต่ว่ามีบางคนที่เลือกและมีบางคนที่ศรัทธาในองค์ผู้เจ้าเขาเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าถูกเลือก เลือกเขาไว้และเขาตอบสนองต่อการเลือกของพระเจ้าโดยการที่เขาจ่ายราคาของความเชื่อความศรัทธาพระคัมภีรกล่าวครับว่าความรักนั้นของพระเจ้านั้นรักทุกคนยอห์นบทที่สามข้อสิบหกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราเห็นพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุดของพระเจ้าที่อยากจะให้เรากลับไปอยู่บ้านกับพระองค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว โปร่งเป็นท้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพรร่งได้ทรงไถ่เราให้เราหลุดออกจากความบาปและห่วงการผูกมัดของมันพี่พน้องครับเราจะเห็นนะครับจากพระคัมภีร์ทั้งหลายเราสามารถที่จะเห็นพลักษณะของพระเจ้าความรักของโปร่งใน3รูปแบบดังต่อไปนี้ประการแรกครับก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่พน้องครับเมื่อบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่ไม่ใช่ความรักเป็นพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าทรงเป็นความรัก เป็นสภาพบุคคลของพระองค์เป็นบุคลิกภาพของพระองค์พระเจ้าพระองค์จะไม่มีความรักไม่ได้มีคนเปรียบเทียบในนี้นะบอกว่าพระองค์จะไม่เป็นพระองค์เองไม่ได้ยกตัวอย่างว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเวลานั้นแค่ไหนคนคนนั้นก็ยังเป็นผู้ชายอยู่วันยังทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็ยังเป็นความรักอยู่วันยังทํา เราอาจจะพูดได้ว่าท่าที่ใดก็ตามไม่มีความรักที่นั่นไม่มีพระเจ้าอยู่พระคัมภีบอกว่าผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาที่คฤหัสถ์ของพระองค์นะครับคริฤจักรของพระองค์ควรที่จะมีความรักมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนผู้ที่อยู่ภายนอกเขามองเข้ามาในครฤจักถเขาจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาเดินเข้ามาในคฤหัสถ์เขาจะสัมผัสอะไรครับ สัมผัสกับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีที่เราจะมีต่อกันนั่นคือการสําแดงว่าพระเจ้าเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในพระเยซูเป็นผู้ที่มีความรักนั่นเป็นประการแรกพระองค์ทรงเป็นความรักประการที่สองครับความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราน่ารักหรือไม่น่ารัก มีบางคนสอนอย่างนี้นะครับบอกว่าคุณต้องทําตัวให้น่ารักนะไม่งั้นพระเจ้าจะไม่รักคุณผมใช้คําว่าไม่ใช่ครับผมใช้คําว่าคุณต้องทําตัวให้ให้เป็นที่โปรดปรานนะถ้าไม่งานานนั้นในพระเจ้าไม่โปรดปรานคุณพระเจ้าจะไม่รักเราไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงเปนความรักและไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังรักเราอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุที่ทําให้มีคําพูดที่บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาส เป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระองค์สามารถที่จะให้โอกาสเราทุกวันเวลาได้จะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราได้รับโอกาสนั้นความรักของพระองค์นั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงสรุปใบทที่23่ข้ขอหครับแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิด23าที่หลายๆท่านท่องได้นะครับ ความรักมั่นคงความดีของพระเจ้าจะติดตามเราไปตลอดวันคืนชีวิตของเราไม่ว่าเราจะ ท, ทำตัวน่ารักหรือไม่น่ารักนะครับความรักของพระเจ้ายังคงอยู่โปรงทรงมั่นคงในความรักมีเพิ่มภีหลายข้อมากมายนะครับทำให้เรารู้ว่าประจักษ์ชัดว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไม่เปลี่ยนไปตามความดีของเราไม่ว่าเราจะทาอะไรหรือไม่ทาอะไร ความรักของพระเจ้ายัางมั่นคงอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สมครับความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรวมบทที่ห้าข้อที่แปดแต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเมื่อเรา ไม่มีข้อเพิ่มพีใดนะครับที่สร้างเงื่อนไขว่าเราต้องทําอย่างไรพระเจ้าถึงจะรักเราไม่ใช่ความรักนั้นเป็นความรักที่ไหลลงมาจากสวรรค์อัตโนมัติครับการสิ้นประชนของพระเยซูก็มาถึงพวกเราอัตโนมัติและผลแห่งการสิ้นพระชนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าสร้างเงื่อนไขกับตัวเองครับว่าต้องทําอย่างนี้นะพระเจ้าจะได้รัก แล้วเราคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นการทำที่พระเจ้าจะรักเรานะเป็นความเข้าใจผิดครับยังไงก็ตามพระเจ้ารักเราอย่างยำคำเพราะเจนาของพระเจ้าอธิบายความรักนะครับว่าความรักอดทนนานกระทาคุณให้ความรักไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่ห ย, มยาบคายนี่คือสิ่งที่พระคัมภีสอนว่ามันไม่มีเงื่อนไขเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่พี่น้องครับถ้าถามว่า เมื่อเรารักพระเจ้าแล้วบุคคลต่อไปที่เราจะรักคือใครคำตอบก็คือว่าคู่สมรสของเราคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเพื่อนบ้านของเราจะเป็นบุคคลต่อไปที่เราจะรักเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าและเราไม่รักพี่น้องพึ่งพีบอกว่าโกหกเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่ว่าพี่น้องที่มองเห็นคุณไม่รักเขาเนี่ยเรากาลังโกหกครับ นั่นคือสิ่งที่พระมุทีหนึ่งยอนได้บอกไว้ชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นชีวิตที่ยอมเสียสละให้กับคนอื่นเป็นชีวิตที่อุทิศให้กับคนอื่นเป็นชีวิตที่ให้สิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราให้กับคนอื่นนั่นแหละครับคือการแสดงความรักเป็นความรักที่อดทนนานเป็นความรักที่เรียนแบบพระเยซูมีคนบอกว่าเด็กๆที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกาพรานะถ้าเขาไม่ได้รับความรัก โอกาสที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยและเขาจะรักคนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเราเองนั้นต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีความรักเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ความรักนั้นไปรักคนอื่นเช่นเดียวกันความรักของพระเยซูนั้นมาจากพระองค์ไหลเข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อความรักนั้นไหลเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องมีอาการอย่างคือ ตกหลุมรักพระเยซูตกหลุมรักพระเยซูในพระคัมภีรสอนว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดตกหลุมรักพระเจ้าตกหลุมรักพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ passion passion คืออะไรครับ passion เน้นมีความหมายทั้งดีและไม่ดีอาจจะแปลว่าเป็นราคะตัณหาก็ได้เป็นความอยากที่จะทำความผิดบาปก็ได้นะครับเป็นความเร่าร้อนทางด้านอารมณ์ทางเพศก็ได้แต่ว่าแพช s i o นั้นมีความหมายอย่างหนึ่งที่ดี ก็คือความปรารถนาความกระหายหาสิ่งที่เขาอยากจะต้องการทำให้บรรลุความสำเร็จนั่นคือ passion. แพชชั่นถ้าถามคนว่าคุณมีแพชชั่นในการทำอย่างนี้หรือเปล่านั่นหมายก็ว่าถามว่าคุณมีพลังมีไฟมีภาระใจในการทำอย่างนี้สำเร็จหรือเปล่านี่คือแพชชั่นและอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจครับคอมแพชชั่นคอมแปลว่ามาด้วยกันกับแพชชั่นก็คือการปรนาตัว การที่เราจะเห็นถึงสิ่งใดมีคุณค่าสูงที่สุดและเราทุ่มชีวิตของเราอุทิศไปทำให้มันจบให้มันสำเร็จนั่นคือ compassion พี่น้องครับเมื่อเราตกหลุมรักพระเจ้านะครับเราจะมี compassion เรามีความปรารถนาที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างตอบแทนพระองค์เพราะฉะนั้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมและวาเลนไทน์นี้ผมอยากจะให้พี่น้องที่จะรู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดและขอให้เราตกหลุมรักพระเจ้าตกหลุมรักพระเจ้านะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรมาในอดีตขอให้เราสารภาพบาปในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ขอให้เป็นโอกาสที่เราเองนั้นจะเข้าใกล้พระเจ้าที่เราจะอดเราจะลดเราจะปลดและเราจะหมดนี่คือสิ่งที่เป็นการท้าทายและการเชิญชวนของข้าพเจ้าในชาวันนี้อย่าลืมครับว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นไม่สามารถทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ขาดจากความรักและการทรงสถิตของพระเจ้าได้ ความรักของพระเยซูนั้นสนใจผลประโยชน์ของคนอื่นครับมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองความรักของพระเยซูนั้นทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่มีวันผิดหวังไม่มีอะไรจะพรากความรักของพระเจ้ามาจากเราได้สุดท้ายครับผมอยากยกข้อมีข้อนี้ครับรมบทที่8ข้อส5อยากจะให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เรา จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลยกายหรือการถูกพอยภัยหรือการถูกคมดาบแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายภาคหน้าหรือฤทธิเดช ท, ทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทาให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าอาเมนครับสิ่งนี้คือสิ่งที่จะยึดมั่นอยู่ในชีวิตของเรา หลายหคนนะครับเวลาผ่านความทุกข์ยากลําบากหรืออยู่ในความทุกข์ยากลำบากเนี่ยอย่าคิดครับว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้วไม่ใช่ครับพระเจ้ายังรักเราอยู่เราต้องอธิษฐานขอการโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราการโปรดปรานของพระเจ้านั้นสําคัญครับพระเจ้าจะโปรดปรานไข่นี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะโปรดปรานให้คุณหายโรคพระเจ้าจะโปรดปรานให้คุณได้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาพระเจ้าจะโปรดโปรดปรานให้คุณได้ผ่านวิกฤตการ ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์รักและพระองค์นั้นรักเราไม่ในอย่างที่เราเป็นนะครับแต่รักเราอย่างที่พระองค์ทรงเป็นต่างหากพระองค์จะไม่รักเราไม่ได้เพราะว่าพระองค์จะไม่เป็นความรักไม่ได้ให้เรามั่นใจนะครับว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดความรักนํามาถึงการอภัยโทษความรักนํามาถึงการเริ่มต้นใหม่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้นะครับไม่มีบาปไหนที่พระเยซู อภัยไม่ได้ไม่มีพฤติกรรมไหนไม่มีสิ่งในนดีตหรือเป็นปมในชีวิตของเราที่พระเจ้าจะยกโทษให้ไม่ได้และจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงโปรดให้ชีวิตของเรานะครับจะรับการท้าทายให้เราอดให้เรางดลดให้เราปลดและให้เราหมดตัวเองนั้นก็คือปฏิเสธตัวเองให้หมดไปถึงตรงนั้นนะครับเริ่มต้นด้วยการอดอาหารเริ่มต้นด้วยการลด บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นกับองค์พ่อผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าวอวยพระพรทุกท่านอาเมน